เรื่องต้นแห่งกรจะต้องออกยังจำในใจรักช่วทัทำดีทำใจให้ใสชีวิตลัตายจะได้ไปสู่สวรรค์อัลบับฟังเคสซัตีกเลยวันนี้เป็นแค่สิ้นหนึ่งหรือพ0 2 4 เบิร์ตอยากแต่งงานเจ้าที่ลําบึงแต่เบิร์ตเป็นคนอ่อเจ้าที่อยากแต่งงานอตกลงเอาเอาชื่อนี้ใช่ไหมใช่ไหมสามน้ยโกรธผีไม่เอาใช่ไหมจ๊ะไม่เอาไม่เอาเนะี่ยเจ้าที่อยากแต่งงานาผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญา ตั้งแต่ยุคต้องเดินทางมาเรียนที่ห้องจนถึงยุคไฮเทคเรียนผ่านดาวเทียนดีเมซีผมชอบช่วงเฮสดีมาที่สุดเลยครับผมติดตามเคสของคนอื่นๆมา ม, มากจนผมก็อยากจะฟังเรื่ององตัวเองบ้างครับครับรบกวนครูไมใ่ใหญ่ฟันในฟั น, ฟนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวผมด้วยนะครับคุณพ่อของผมตอนเป็นเด็ก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 ไม่ได้รักคุณพ่อเลยเนี่ยแต่ที่แต่งงานกันกันกบพราผู้ใหญ่จัดให้แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ลูกเดียวกันถึงแปดคนนี่ถ้ารักกันนี่ต้องคูณสองเนอะ <c oughs> ผมก็เป็นคนที่ฮคุณพ่อผมเป็นคนกว้างขวางใจใหญ่มีลูกน้องมาก <c oughs> ชอบเล่นการมั น, นั้นกล้าดได้กล้าเสีย ถ้าในสร้างฐานะจะร่ำรวยอยู่ในระดับเศรษฐีของหมู่บ้านต่อมาก็เกิดคดีความถึงขั้นขึ้นรองขึ้นศาลฐานะจึงตกตามลงเรื่อยๆจนในที่สุดคุณแม่ท้งลาออกจากรายการเป็นครูเพื่อนำเงินจากการลาออกออกมาช่วยในการต่อสู้คดี <c oughs> ผลสุดท้ายคุณพ่อก็ <c oughs> เป็นฝ่าย <c oughs> ชนะแบบไม่เหลืออะไรเลย ชนะแต่ก็ไม่เหลืออะไรเลยอพอพทรยบตรงไปใช้ในเรื่องการสู้ก็ดีกันช่วงที่กาลังมีคดีนั้นก็เป็นยังหวะที่ผมเกิดพอดีคดีแลอดีค่ะอันไหนดีกว่ากันดีค่ะดีค่ ะ, ด, ค ะ, ะ ด, ดีกว่าค่ะดีดีกว่าค่าดีนี่พอเกิดมาพอดีา <laughs> จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้คุณพ่ออยากมีลูกเป็นนักกฎหมาย ตั้งแต่เจอเคดีดําตระกูลอย่าง oh. แล้วคุณพ่อก็ไม่ผิดหวัง mm. ไม่ผิดหวังเลยครับ mm. เพราะผมเอ็นติดนิติศาสตร์ oh. ที่มอธรรมศาสตร์ mm. ผมที้จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มมวลชนในมหาลัยโ mm. ดยถูกปลูกฝังว่า mm. สาเหตุจะสังคมมีคนจน mm. เราถูกอาราธะเปรียบจากคนรวย และจนชั้นปกครองโห อ, อยู่กันอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันเลยนี่ํำไม่ดีกันเนาะโซดซักโซฟโฟนํ <c oughs> <c oughs> ำไปดีหมูไม่อ้วน <c oughs> แล้วก็สอนนี่ว่าศาสนาสอนให้คนงมงายเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ชนชั้นสักดินาสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงคนจนนะอืม นี่ oh. Oh. กำลังกล่าวหาเคสัดดี้เอตอนนี้ยังไม่มีเนี่ย <c oughs> นั่นกำลังพูดถึงเรื่องในอดีต <c oughs> สมัยที่แต่ก่อนนั้นอนะ่ะ <c oughs> คนเรามันยังโ <c oughs> ง่แต่ทีนี้ ฉลาดลแลวอ๋อยัง ง, งงกว่าแต่ก่อนแล้วใช่เดี๋ยวนี้ฉลาดไอ้คำสอนนี้เพราะว่าแต่ก่อนคนเรายังโง่แไม่ใช่เ ง, งี้น <c oughs> ซึ่งผมก็เชื่อรับบริเธศาสนานครับแปล ว, ว่าอะไรก็ไม่ทราบเนาะนั่นเป็นอดีตที่ดีไปแล้ว <c oughs> กระทั่งเรียนจบได้ขาทำงานธนาคารในปีสอง9 อาคำสอนนี่กับไปธนาคารดูหรือเปล่าเพราะเห็นตัวเลขเข้าเห็นสเตตเมนต์นี่ยนี่บางทีมีคนรวยคนจนเพราะมีธนาคารหรือเปล่านี่จอนนั้นผมได้ศูญเสียคุณแม่ไปอย่างกันทันนั้นคือจู่ๆคุณแม่ก็มีอาการไข้ดูก็ไม่ร่นแรงเท่าไหร่แต่หมอกลับบอกว่าท่านอาการหนัก ให้นอนโรงพยาบาลเพราะตกกลางคืนท่านก็นเสียชีวิตด้วยวัยหบสองปี<ม>อุ๊ค<ม>รูปัญญ า, าฟังแล้วอยองสองสาวปีหมอก็งความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะพระโรมะเร็งในเม็ดเลือด<ม>ก่อนคุณแม่เสียชีวิตสองปีคุณพ่อก็ป่วย<ม>ถูกผ่ากะโหลกศรีรษะผ่าทำไม <c oughs> หามะเร็ง <c oughs> ในเยื่อสมองทำให้เป็นอัมพาตอยู่สามปีแล้วก็เสียชีวิตพระรา้มหมดก็ตกเป็นของผมแล้วสิครับเพราะผมคนเดียวในครับครวที่เรียนสูงมีได้ที่การงานดีเป็นที่พึ่งกับครอบครัวได้เมื่อผมอยู่ในฐานะตรงนี้ผมก็ทั้งเครียดทั้งกลุ้มปัญหากระมรุมเราหาทางออกไม่เจอจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย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 มากเลยเป็นเรื่องเลิฟซอรี่เรื่องรักวันพรุ่งนี้มากเลยทูมโล่นี่จะอยู่คอยอย่างนั้นเพื่อความหวังเพราะนั้นพอคิดอย่างงี้ความเครียดก็หายไปต่อมาวิกฤิมิท่านหนึ่งชักชวนให้ผมมาทำบุญกับวัดพระธรมกายและชวนให้มาวัดผมก็มาแบบเกรงใจขัดไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่ได้ขัด ใจนี่ต้องขัดถึงจะใสนี่ยังขัดไม่ได้เนาะได้ภาคบายผมเจอหลวงพ่อองหนึง่งรูปร่างสง่า ง, งามผิวพรรณปองใสแก้มแดงทุ่มทุ่ ม, ม, มคือหลวงพ่อทตาจีวรลงเทศมีตอนหนึ่งซึ่งหลวงพ่อพูดและผมประทับใจมาก เพราะแต่เดิมในผมไม่ค่อยจะเข้าใจในยุคนั้นที่ถูกสอนกันเอาไว้เนี่ยบาปิดามานดานไม่มีคุณแค่สนุกสนานจัดฟอรฟันแล้วก็มีออกมาเพราะฉนั้นเราไม่ต้องไปนึกถึงบุญคุณแต่ว่าวันนั้นหลวงพ่อทัตชิวท่านพูดว่าพ่อแม่บางคนต้องตกนรกเพราะลูกคือยอมตกนรกเพราะลูกก็รู้ว่าจะทำสิ่งนี้แล้วจะตกนรกนี่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 เองกินไม่ได้แม่ไม่สบายใจแม่จะเป็นต้งฆ่ามันแต่ฆ่ามันนี่มันก็เป็นบาปแม่ก็รู้นะเป็นกรรมปานาฏิบาติและแม่ก็จะต้องไปตกนรกเพราะกรรมปานาฏิบาตนี้แต่เพื่อเองแม่ทำได้แม่ก็ต้องจำเป็นต้องทำโอ้นี่มายืนยันเลย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 ผมยังอยากจะรู้ธรรมะมากขึ้นนี่มัมมจนจะนี่ความกตัญญูเครื่องหมายแห่งคนดีก็เกิดขึ้นในใจเลยอยากจะช่วยแม่เพราะยังไงแม่มไปแน่เพราะขาเป็ดข้าไกายปูปราปรตาตมห า, หาเหลี้ยงลูกอย่างเงี้ยแล้วไปกวาซื้อหนังสือของลุงพ่อเจตจีโวลุงพ่อตอบปัญหามาอ่านอ่านอ่านแล้วก็ฟังเทพมงคลยิวิสานสิประการ4ี่ห้ารอบ มันน่าจะสอบผ่านนะความคิดมิจฉาทิฏฐิก็ถูกลบล้างไปหมดสิสอบผ่านในระดับที่ความคิดมิจฉาทิฏฐิถูกล้างไปเลยแล้วจะนั ก, ก็ตั้งใจมาวัดเลิกหมดเลยทั้งเล่าและบุรี<า>เลิกหมดลงผลิตสุราขายสุรานี่เขาสร้างกันมาทําไมเนาะไม่เห็นมีผลอะไรเลยนะ สร้างขึ้นมาหลังจากหวังรวยจากเงินที่ได้มาจากความหายนะของเพื่อนมนุษย์นี่แต่ไม่มีเหตุผลนัใดเลยเนี่กฎหมายไม่น่าจะรองรับเนแต่ว่ากฎแห่งกรรมรับรองว่าปอายบายแน่พอ ป, ปีสองห้าสาม็การจอดจัดอบอรมธรมธรมธายาตอรุณิเพศ ฉลองห0สิปีหลวงพ่อธรรมชัยโยซึ่งตอนนั้นยังหนุ่มกว่านี้ผ ม, มอยากบวชมากเพื่อพุทธธรรมหลวงพ่อจึงลางานมาเพื่อบวชแต่พอครบกำหนดลาศิกขาสิผมกลับอยากบวชต่อนรู้สึกเลิบพระรากาสาภพัตมากเลยจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ช่วยผู้จัด ก, การของธนาคารทันที นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนแสดงดวงบุญตอนนั้นโตมากเลยแล้วพ่อครับผมบวชได้เพียงสิบเดือนก็ต้องลาสิกขาเพราะเพราะช่วงก่อนบวชผมเนี่ยใจดีรักเพื่อนได้ไปเซ็นคำประกันเงินกู้ยืมให้กับเพื่อนนี่แล้วเพื่อนนั้นก็หนีไปเนี่ยทำให้ผมถูกฟ้อง ก็แปลว่าผมจนลงเนี่ยเพราะคนรวยแล้วจนชั้นปกครองเอาเปรียบรือูปล่าเนี่ยไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเพราะเพื่อนผมมันหนีทาให้ผมจนลงอันนี้ไงนี่อแต่เดิมตอนอยู่ในมหาลัยถูกคําสอนนะที่มีคนจนเพราะคนรวยเอารัดเอาเปรียบรวมทั้งชนชั้นปกครองแต่นี่ไม่มีใครเอาเปรียบน เพื่อ น, นก็จนแล้วก็ให้เราไปค้าประกันแต่เราใจอ่อนเราจึงมาอ่อนใจตอนที่เพื่อนหนีไปแล้วเราก็จนแทนแปลว่าไม่มีใครเอาเปรียบเราอะผมถูกฟ้องผมจึงต้องศึกเอาไปเคลียร์หนี้เนี่ยผมก็เขับทำงานใหม่ที่บริษัทเงินทุนแล้วได้พอกับภรรยาอนึวกว่าไปเคลียร์หนี้ ตกลงนี่อะไรกันแน่นี่ยังงงงงนึงนงกว่าไปเคลียร์เสร็จแล้วก็จะกลับมาบวชเนี่ยเฝ้าคอยอยู่ตั้ง10กว่าปีแล้วเนี่ยผมกลับเข้าทำงานทำงานใหม่ที่บริษัทกันตจนแล้วก็ได้พบกับภรรยาก็เทพจิดาเขาอยู่เฉยๆน่ยแล้วไปคุยกันท่าไหนเนี่ยสำคัญตรงนี้ แต่แบบเด็กเอยู่เขาเฉยๆนะซึ่งเราทำงานอยู่ที่เดียวกันเอาอคนทำงานอยู่ที่เดียวกันเยอะไม่มีเหตุผลอันควรก็ต้องเจอเงินยอะๆคนที่ทำงานด้วยกันนะ่ทัดมานหนึ่งปีเราทั้งสองก็เจอวิกฤต IMF ถูกออกจากงานทั้งสองคนวันหนึ่งขณะตกงาน ผมกับภรรยาจึงชวนเงินไปเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศเดินเกี่ยวก้อยก็คุยกันไหม <Okay. S 1> ต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็เดินไปที่ศูนย์ไอทีทิบลตูนะครับภรรยาผมเทพธิดาเนี่ยเธอสะดุดตาเข้า กับซากซากอาสุภาของซากตลับมึกเก่าๆ <c oughs> เอามันก็เหมือนกับอสุภาษณ์แล้วก็ซากซากตลับมึกเก่าๆที่ทิ้งแล้ว <c oughs> เขาก็ปิง๊งไอเดียกันมาเห็นแนวทางธุ ร, รกิจว่าที่เราสา ม, มารถมารีไซเคิลแล้วขายได้นะเอามาใส่ลายสะอาดใส่สีใหม่ก็ขายเขาจึงเชิญผมนําธุรกิจนี้ ผมก็โอเคและแล้วกิจการของเราก็ดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั้งสามารถตั้งบริษัทของตัวเองได้ในปี2542สองนี่ไม่ธรรมดาหรอกเห็น mm. ไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> นี่ม บ, บุญส่งผลพอมาปี2545สห้าเราก็สามารถทำบุญปเป็นประธานรองกระถินเป็นประธานรองกระถินนหญ่สร้างมหาวิหารหลวงปู่ได้หนึ่งเอ็มแรกของชีวิตสุดยอดจริงๆเลย แล่ ว, ว่าช่วงนั้นที่เราตกอับเพราะเราขาดบุญเพราะนั้นเมื่อเราประสบความสำเร็จมาในชีวิตแล้วเราก็ต้องสร้างบุญต่อหลังจากทําบุญกันถีเราก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ได้ออฟฟิศที่ใหญ่ๆดีๆให้กิจการเจริญรุ่งเรืองอัศจรรย์มากครับเวลาผ่านไปแค่เดือนเดียวอยู่ๆก็มีคนโทรมาหาบอกขายตึกซีคูหาห้าชั้น เขาบอกว่าเขาต้องการให้ขายให้เราโดยตรงไม่ขาย ใ, ใครในโลกโดยให้เราตั้งราคาเองให้ผู้ซื้อตั้งราคาเองอย่างนี้ก็สาบายอย่างนี้นี่แสดงว่าเขาไม่เกี่ยงเขาอยากจะให้แต่เกรงว่าจะไม่รับเพราะนั้นก็เลยอ่ะให้ตั้งราคาเองแตเราจรึงตกลงซื้อในราคาขูหานละหนึ่งล้านบาทจำนวนสี่โคหา ท่ามกลางความงุนงงของคนย่านนั้นเพราะบัตรเต็กแ่า น, นั้นราคาขายกูหาและไม่ต่ำกว่าสองล้านบาทเห็นไหมจ้ะแค่ซื้อแค่ครึ่งเดียวนั่นเนองและจะได้ออฟฟิศใหม่<า>ผมก็ได้เป็นประธานอารองกระถินทุกปี<า>แล้วก็ได้ร่วมกับหลวงพ่อทุกบุญอ<า>ย่างเต็มที่เต็มกาลังจนถึงปัจจุบันี้ผมมีลูกสองคน ป, ปีสองห้าสี่สองผมได้ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงเพราะก็ตั้งบริษัทพอดีตั้งแต่ตั้งท้องลูกคนนี้ภริยาผมก็ได้เปิดบทสวดพระมหาสิริราชธาัตทีฟังทุกวันใส่บาพระทุกเช้าช่วงที่คนเข้าใจวัดผิดภริยาผมขนาดนั้นก็ท้องในเจ็ดเดือนแต่ก็ยังมาอยู่ทุดดงปกป้องพระศาสนา และการรักษาคลอดหวันเพื่อนผมก็ยกธุรกิจเกี่ยวกับ stationery ให้ผมแบบฟรีๆตอนนั้นผมก็ยังงงๆอยู่ยกให้ฟรีๆตอนนี้ผมก็ยังงงๆอยู่ว่ามันเป็นอีหยังวา <c oughs> เมื่อลักษาอยู่ได้ประมาณสามขวบ <c oughs> ก็ได้รับบุญเป็นาสาสมัครต <c oughs> รับหลวงพ่อในวันอาทิตย์ต่อ <c oughs> รับระดับโลก แล้วก็รับบุญพิเศษในการเผยแผ่ธรรมะออกทางดาวทำไปทั่วโลกเป็นภาษาบาลีง่ายนิดเดียวบ้างศีลห้าบ้างวันนี้วันพระบ้างแล้วก็ร้องเพลงธรรมะบ้างแต่ปัจจุบันลูกสาวยุติเจ็ดขวบอยู่ชั้นป .2 ออึ้นครูให้พูดหน้าฉันว่าโตขึ้นหนูอยากจะเป็นอะไรเธ อ, อตอบว่าอุบาสิกาค่ะ ครถามว่าแล้วอุบาสิกาทำหน้าที่อะไรเพราะครูยังไม่รู้เลยเธอก็ตอบว่าช่วยงานวัดและบอกบุณ์ช่วยงานวัดจัดหาทุนโซนกชาปัจจุบันอายุได้สี่ขวบชอบศิลปวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ชาติไทยมากเป็นหะัวรักประวัติศาสตร์ชาติไทยรักแผ่นดินอผองไทยโดยเฉพาะชอบดูโขนมากๆเลย นั่งดูได้สองสามชั่วโมงไม่เบื่อเลยจดจำชื่อและลักษณะต่างๆของลิงยักษ์ในเรื่องรามเกียนได้หมดรู้เลยว่าทำไมพระราม <c oughs> ถึงเลือกเอาอย่างนี้ไปปราบยักษ์เพราะยักษ์มีหลายแขนหลายมือมันต้องเอาที่ไวยมาก <c oughs> ในระดับที่สิบหน้ายี่สิบมือจับไม่อยู่ จึงเลือกเอาลิงออนี่นี่ใช้ป่าไม่รู้อันดีวายเองก็ตึมสิบหน้ายี่สิบมือจะเอาอะไรสู้ดีส่งยีราไปเล้อ ม, มันก็ไม่ใช่เลยเลือกเอาลิงใน เ, เ, เรื่องรามเกียรจํจาได้หมดเลยเออชอบประวัติพระเนรเสวัตรไม่จะตักสินและยิ่งทัศชาติชา ด, ดกชอบมากมากได้เฉพาะมโหสถบัณฑิตออซึ่งมันตอนที่ออกดึกดกขนาดไหนเขาก็จะรอดูให้ได้ บางครั้งกลับหน้าจอดี c ซไปเลยครับ oh. อตอนนี้เราก็ต้องเรื่อนโมโหสดบัณฑิตออกให้ก่อน <Yeah. S 1> อ่ะ จ, จะคุณตาผมท่านได้ออกบวชตอนวัยชาราต่อมาท่านป่วยเป็นอวมภ้าตีขาเลยตั้งหลาสิขาและเสียชีวิตในที่สุดคุณยายผมท่านมีลูกกับคุณตาทั้งหมดห้าคนแต่ลูกๆก็ทิ้งตายไปก่อนจนหมดเลยเหลือคุณยายคนเดียวที่มีอายุยืนถึงเกสกปี การมีร่างกายที่แข็งแรงหูดีสติดีรับรู้เรื่องราวดีๆทุกอย่างข้างในหมู่บ้านเจี่ยวกุญญายามีผีชิดีหนึ่งทรงอยู่เรียกว่าผีหนังประกำที่ม้าของผีชิดีนี้มีอยู่ว่าบรนปลายุษของกุญญายามีอาชีพคล้องช้างป่ากจะไม่ต้องใช้เชือกที่ทำจากหนังวัวหนังควายเรียกว่าหนังประกรำร ม, มาคล้องช้างเพราะมันเหนียวและทน ก่อนที่จะก้าปากร้องช้างก็ตัองบวงสวงผีหนังประกรรมเชื่อกันว่าผีชนิดนี้จะไปทรงอยู่ในตัวคนและสืบทอดไปยังลูกหลานคนที่ถูกทรงตัองรมบวงสวงเส้นไายในช่วงเทศกาลของทุกปีก่อนที่ยายจะเสียชีวิตนี่ท่านก็มีอาการฟ้อนราเหมือนที่เคยลํบวงสวงผีหนังประกรรมการตายของยายได้เกี่ยวโยงมาถึงน้องสาวของผมราะ ตอนที่ยายเสียชีวิตเป็นเวลาตีสาม mm hmm. ในเวลาไล่เลียกนั้นน้องสาวผมซึ่งนอนหลับอยู่ที่บ้านที่กรุงเทพ mm hmm. เธอเล่าว่าขณะนอนมีอาการเครื่องหลับเครื่องตืน่น mm hmm. เห็นร่างสีดำใหญ่ลมทับร่างเธอ mm hmm. และในความรู้สึกนั้นเธอได้คว้าเหรียญปราบมาลุงปูมาคล้องที่คอเงานั้นก็หายแวบไป เพราะนั้นครมีเหรียญแล้วก็รักษาไว้ดีนะนี่จะดึกแลลึกนึกถึงท่านตลอดเวลาเหมือนเรานึกถึงคนที่เรารักนะนึกไปเรื่อยเลยนี่แล้วก็ให้ภาวนาหรือท่องคําที่ท่านชอบสัมมาหลานที่ท่านชอบพูดตลอดชีวิตของท่านเลยลนะ่ะตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่สบายมีอาการท้องอืดแน่นท้อง ร, รักษาอะไรก็ไม่หาย หมอหาสาเหตุไปพบมาเป็นเวลาสามปีแล้วครับปีนี้อาการถี่และรุนแรงกว่าเดิมเธอมักจะรู้สึกถึงร่างดำๆใหญ่นั้นมาวนเวียนได้เห็นอยู่เสมอยังมีอีกเรื่องหนึ่งแปลกคือที่หลังบ้านงผมที่จังหวัดชัยภูมิอ่อจังหวัดอบอทิศาส์เนาะเป็นสวนมะม่วงนะมีสรดนะ้ำ สมัยก่อนทุกวันพระจะมีคนเห็นดวงแก้วลอยอยู่บริเวณนั้นเสมอลูกสาวของนา้าปกติน้นเป็นคนเรียบร้อยช่างพูดช่างคุยแต่จุๆ่ๆเธอก็เปลี่ยนไปเวลาพลบค่าก็จะปลีกตัวเป็นนั่งอยู่คนเดียวที่ริมสระน้ำทุกวันเลยเวลาพาไปสามสี่เดือนร่างกายก็ผอมโซคุณพ่อ ก็ต้องไปถามร่างทรงร่างทรงก็บอกว่าที่ตรงหลังบ้านเนะี่ยมีเจ้าที่ดูแลอยู่เจ้าที่ก็นี้แหละเนี่เขาอยากแต่างงานกับเธอร่างทรงบอกว่าเจ้าที่ที่ดูแลอยู่ตรงนั้นอยากแต่างงานกับเธออยากได้เธอไปเป็นภรรยาแล้วร่างทรงบอกต่อว่าให้สร้างศาล สร้างพระปฏิตรงนั้นและว ก, กล้กราบไหว้บูชาครับเพื่อจะแรกกับชีวิตของเธอไว้ทําให้เธอตายแล้วมาเป็นวายาครับ ค, คุณพ่อผมก็ทำตามแต่เธอก็ไม่หายอยู่ดีจกกึงกระทั้งเสียชีวิตเป็นที่สุดาอายุได้เพียง2ีาปีคำถาม ค, คุณพ่อมีการไรา ย, ยังสร้างฐานะร่ำรวยในตอนแรกแต่ต้าหลังถูกฟ้องร้องจนแทบหมดตัว และคุณแม่มีกรรมใดร่วมจริงต้องลาออกจากครูเพื่อเอาเงินไปช่วยคุณพ่อฟ้องร้องด้วยบกกุพกรรใดตังคุณพ่อเดินขาไม่เท่ากันถูกพากระโหลกทิศสารและป่วยเป็นอมาาัมพาตคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเสียชีวิตอย่างกระทะ น, นันเพราะกรรมใด ท, ทั้งสองตายแล้วไปไหนแต่ละผลที่ไปให้อเคยไม่พากระไรมาถึงลูกๆบ้างหรือไม่อย่างไรครับ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 ผ่านจริงหรือไม่ครับแต่จริงผมควรทําอย่างไรกับที่ตรงนั้นดีครับลูกสาวทํำอุปกรรมใดมาจึงทําให้เขามีโอกาสเดล่า บ, บุนเผยแผ่ธรรมะผ่านช่องดีเอซตั้งแต่ยังเ ย, ยาวไวัยละได้ลูกชายของผมยึ่งชอบเรื่องปอดิสายการนําศึกสงครามมากมเขาเคยเป็นทหารเก่าหรือเปล่าครับ<ม>ลูกสาวก็ลูกชายสร้างบรมีกระหมูนะมันในรูปแบบใด ม, ม, มีหน้าทีมีนาทีอะไรในกองทัพทม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 กรรมใดมาทำให้ผมไม่ได้บวชตลอดอยังมีหน้ามาถามเนอะมีเหตุผลที่สวยงามเกินเสกเอามาเคลียร์นี่คำประกันเงิ น, นกู้ของเพื่อนอรู้นะ่บุปผกรรมใดตัวผมและปริญาจริงต้องตกงานในช่วง i อ f ออ๋อเตรียมตัวจะรวยจช่ มุญได้ส่งผลให้รามีกิจการตนเองในช่วง IMF จนกระทั่งสร้างฐานะขึ้นมาได้อย่างดี mm hmm. ผมมารยาเคยสร้างประมีกบูกขณะมาลูกในรูปแบบใดครับมีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไร ม, มีนาทีอะไรในกรองทับทาครั บ, บ, บ, บ, บจะได้กลับดูสิบุรีทั้งพ่อแม่รู้ไหมครับจำเรื่องราวกำถามได้ไหมจ๊ะ รา บ, บตาฝ่ามันตุมิตาตือนขึ้นมาท่าหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่ายฟังเปนิยายปรมบรากันจาคุณพ่อสร้างฐานะร่ำรวยในตอนแรกแต่ต้องมาถูกฟ้องร้องจนแทบหมดตัวเพราะแน่ดีเนี่ยท่านอาจจะทำบุญไม่ค่อยอย่าสม่ำเสมอและก็ทิ้งช่วงการทำบุญไปนาน ทำปีหยุดไปห้าปีอะไรอย่างเงี้ยจึงทำให้ล่ำรวยช่วงระยะเวลาเดียวเก้ากบกรรมที่เคยมีคู่เวรที่เคยทะเละกันมาเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ถ, ถึงขั้นฟ้องร้องกันมาในอดีตได้มาเกิดเจอกันในชาตินี้ทำให้มีเหตุทัได้ทะเลาะกันถึงขั้นฟ้องร้องวิบากรรมดังกล่าวนำมาส่งผลจ้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 คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดเสียชีวิตอย่างกะทันหันพระกรรมปนาธิบาติกาตสัตวธรรมหารหลายๆายชาติมารวมส่งผลชาติหลายหลายครั้งนี่แหละกับกรรมที่เคยไปกองทรัพย์ผู้อื่นมารวมส่งผลให้เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดถ้าเกี่ยวก็เรื่องเลือดก็จะเกี่ยวก็เรื่องเองินทองทองทํามะเร็งจะล่วงกับกรรมปานาติบา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 คุณยายยืนยืนเพราะท่านเคยทําบุญถวายคีฬานเบสัตว์กายพิสุทธสมนเนรและเพื่อนบ้านบ่อยๆมารวมทรงผลใช่ใครอยากอายุยืนนะจ๊ะร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยใก้ต้องถว า, า, ายคีฬาในเบสัตว์กายพิสุทธ์สมนเนรหรืออุปกรณ์การแพทย์ซึ่งวันจันทร์นี้แหละเดี๋ยวครูวิทย์จะชวนไอ<ด>้สร้างบุญอุปกรณ์การแพทย์ที่ เอาไปไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่จังหวัดสุพรรณบุรี<า>อนี่จะชวนทำในวันจันทร์ยังยังยังไม่รับวันนี้จะ้ะอาวันจันทร์นี่แล้วทํากันให้เสร็จวันนั้นเลยดีกว่าเพราะหลังจากนั้นเรามีมีงานบุญอื่นอีกเอาความแข็งแรงก่อน<ม>นะจ๊ ะ, เ, ะเขาก็เือก็เจ็บป่วยแทนเราอยู่ที่โรงพยาบาลเรามีอุปกรณ์ให้เขาไปดูแลแล้วเราก็ได้รับบุญแห่งความแข็งแรงมา วันจันทร์นะจวันวันนี้อย่าเพิ่งอยเพิ่งอาวันจันทร์วันจันทร์ทำให้มันเสร็จไปเลยทีเดียวเลยคุณยายจะเป็นร่างทรงผีหนังประกรรมจริงๆแลยจะ้า โ, โดยได้รับการสืบทอดทายาวิชานี้มาจากบารรพบุรุษเจะ้ะช่วงท้ายชีวิตดวงตาคุณยายมองไม่เห็นเพราะการรมแนดีและปัจจุบันท่านได้ขังสัตว์เช่นจับปลาหรือเต่าเอาไว้ในที่มืดโดยปิดฝาเพื่อเอาไว้ทาอาหารในวันต่อมา มารวมส่งผลอย่าคุณตาคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาด้วยกันทั้งคู่โดยคุณตาเป็นภูมิมะเทวาชั้นดีอยู่ในเมาวโบบ้าภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่เคยบวชและบุญที่ทําตามปรเพณีจ้าส่วนคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมะเทวาสายวิทยาธรด้วยบุญที่ทําตามประเพณีร่วมกับความเชื่อเกี่ยวกับการเป็นร่างส่งผีหนังประคำจ้ะ อยู่กันคนละหมู่บ้านกับคุณตาเออตามเป็นมนุษย์กัเป็นสามีภรรยายอยู่ครอ บ, บครัวเดียวกันแต่ตายแล้วไปอยู่กับคนละบ้านคนละหมู่บ้านทนั้งสองก็ได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ทําให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะร่างเงาดําใหญ่ที่น้องสาวลูปฝันเห็นในคืนคุณยาเสียชีวิตนั้นก็เป็นบนรรพบุรุษที่นับถือผีตายไปแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธร แล้วพยายามที่จะสืบต่อทางสายเลือดคือน้องสาวคนนี้ออใจน้องสาวคนนี้รั บ, รบสืบทอดสายวิญญาณนันนี้แต่ว่าน้องสาวมีบุญที่เคยทำหมู่กับหมูคนะ่คณะมาเนะี่ยกลับไม่มีกรรมเป็นร่างทรงจึงทำให้ออาาวิญญาณ น, นั้นเข้าร่างน้องสาวไม่ได้จ้ะ เ, ออเข้าไม่ได้เมื่อเกียกิดอาการปวดท้องเธอ ส่วนการปวด ท, ท้องเธอนั้นเกิดจากความเครียดในปัจจุบันเพราะขาดวิตามินเอาขาดวิตามินเอ <c oughs> ยังเดียวแล้วจ้ะ <c oughs> กาเธอสั่งสมบุญทุกบุญท่งตอนสีบารดาให้มากๆฝึกใจใ ห, หยุดนิ่งให้เขาถึงพระในตัวพอใจสบายเดี๋ยวก็หายพอใจใสเดี๋ยวสมบัติใหญ่ก็ไหลมา <c oughs> และเรื่องเงินเงินทองก็จะหายไป <c oughs>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 หวานอยู่มีทุกหลังกันแหละลเรานอนแล้วก็เราค่อยๆหลีตาแล้วลืมๆไปดูที่ฟ้าไปดานนะที่มุม้งเนี่ยดูดีนะค่อยๆ ค, คือถ้าไปสนใจนี่นะเดี๋ยวเห็นได้ไม่ได้จะไปสนใจยังกลายเป็นความ ก, างกังวลเงีเลยถ้าไปสนใจมันก็เป็นลมเป็นแล้ง เราสนใจมันก็เป็นเรื่องเปลราวเรื่องสารก็ปล่อยให้มันผุพังไปตามกาลเวลาแล้วกันอย่าแพ้ความสนใจกันจนเกินไปสารนี่นะไม่จาเป็นเนี่ยอย่าไปอย่ามีสารเลยสานเอ้ย อ, อย่าไปแล้วเชื่อฉันเถิดเพราะนั้นอย่าไปตั้งสารไว้เนอะอย่ามีอย่าไป อลูกสาได้รับบุญเผยแผ่ธรรมาทางดีีตั้งแต่ยังเยาว์วัยพระในดีเธอเป็ น, เ ป, นเป็นกุลธิดาเนี่ยมาสร้างาบารมีกนะัมู่คณะเราที่ถามว่าขอยได้มาสร้างาบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้ได้มีส่วนในการเผยแผ่ธรรมะและขอยมีบุปการีที่ดีจ้ ะ, ะมีพ่อมีแม่ดีนี่พาเข้วัดลูกชายชอบเรื่องประวัติศาสตร์การทำสงครามมากนั่งกับพระ เคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธนันทิพาลมาจ้าอุปนิสัยนี้ติดตัวมาจ้าต่อมาก็ได้ออกบวชตามพระราชามาบวชแล้วก็เป็นกําลังในการเผยแผ่ตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงวัฒรรมการภายในเอาตัวรายกลับโดยสิบุรีวงบนวิเศษได้เรามาสร้างบรมเดชได้สองรอบเจ้าสรวลูกสามพุทธนันทิพาลมาก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระถึงดวงใสใส พอประคองตัวตัวตวรากลับดุสิบุรีวรมิเศษได้จ้าเรามาสร้างบารมีสองรอบจ้าชีวิตไว้ต้นของตัวลูกต้องลำบากและต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายคดีความตั้งแต่เกิดวัยเรียนวัยทางานช่วงโบวชจนถึงปัจจุบันพระในอดีตกรมาเจอมูลคณนะได้มีความเชื่อในเรื่องความสําเร็จของชีวิตจะเกิดแค่ได้ตั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นจึงทาให้ประมาทในการดําเนินชีวิต ไม่สั้งสมบูรณ์ทำให้กรรมตระณีได้ช่องส่งผลก่อนให้มีชีวิตลําบากในใบต้นกลับมาเมื่อมาเจอหมู่คณะแล้วได้สร้างบุญบก็ไม่ค่อยด้อธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีจ้ะจึงลําบากในใบต้นแต่ได้ดีเคยเปน็นมาที่วินิจฉัยก็ดีแต่มาภายหลังก็เบื่อหน่ายจึงอธิษฐานว่า เขาจะได้มาตัดสินคดีความนี้อีกเลยเ <Okay. S 1> ขากลัวจะมีวิบากกรรมติดตัวมา okay. uh huh. แต่ก็ยังมีเศษวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินคดีความ <Hey. S 1> เศษผังนี้จึงติดมาให้อยู่ในวงจรกฎหมายนี้ถึงแต่เกิดจนปัจจุบันนี้เลยที่ไม่ได้มาทำอาชีพเกี่ยวข้องกับกฎหมายเพราะอธิษฐานจิตมาดังกล่าว <c ười> รวมกับเบือนายสุดขีดในปัจจุบันใหญ่ตัวลูกนั้ไม่ได้บวชตลอดต้องลาสิกขาอกเอามาเคลีย นี่ที่คำวรากันเงินกู้เพราะรู้อยู่เดี๋ยวนอนไม่หลับเอา <c oughs> มีผังบวชชั่วคลาว <c oughs> กลับมีวิบากการรมเกี่ยวกับเรื่องคดีความนังกล่าวมาส่งผลแจ้ง <c oughs> ไม่เกี่ยวแต่เทพธิดาเขาเอี่ยวด้วย <c oughs> ตอนลูกและพยาต้องตกงานในช่วง IMF เเพราะ กันในเด็ตัวลูกและพรรยาได้เป็นสามีภรรยากันก่อนอเป็นสามีภรรยากันเหมือนชาติเนี่ย <c oughs> ก่อนที่จะมาเจอบุคคลนะทั้งสองก่อนก็มีความเชื่อมมือนกันเลย <c oughs> ว่าชีวิตจะสําเร็จได้ก็ต้องหนึ่งแค่หนึ่งสมองสองมือเท่านั้นบุญบอ น, บ น, บ น, บนไม่ต้องไปทําำลอกจึงประมาทมันก็ได้ทําบุญด้วยกันทัน้งคู่ <c oughs> แต่ต่อมาได้สร้างกิจการเของตัวเองได้ในช่วงเดียวกันจนมีฐานะขึ้นมาเพราะภายหลังในชาตินั้น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 ตัวลูกไปผลการปฏิบัติทํามเห็นดวงใสใตัวแรกกลับด so ูสิบุรีได้เรามาสร้างบารมีได้สองรอบจ้ะส่วนพระยาลูกไปผลกการปฏิบัติธรรมได้ถึงดวงใสใสตัวแรกกลับดูสีบุรีได้ในเรามาสร้างบารมีสองรอบจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วไงตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติทานจิตตามติปุสสีบุรีวงมามิเตศเขตบุรมโพธิสัตว์จะได้พัดกันเลยจ้ะสาธุ นี่ก็เป็นเรื่องราวของแค่สตีสั้นๆนะจ๊ะ